มันจะต้องหาอยู่หากินหาลาภหาผลคนบนโลกมากมายจํานวนมากต่างคนต่างแสวงลาภหาจะตกปจัจจัยสำหรับบำรุงบําเลอร์อธิบาลร่างกายตางคนต่างหายยศหายยศนี่ก็เพื่อได้อํานาจแล้วก็เพื่อได้ลาภมา ก, มากได้ง่ายๆเราก็แสวงหาเขาก็แสวงหาในที่สุดมันก็ขัดกัน เมื่อขัดกันก็มีการประทากกันมีการต่อสู้กันมีการแย่งชิงกันได้ด้วยอำนาจบางครั้งก็อาจจะได้ด้วยมีธรรมะประกอบมีความพอดีพอเหมาะประกอบบางครั้งก็ได้ด้วยอำนาจเอาเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเสียท่าเสียทีต้องเสียอกเสียใจยินยอมให้กับฝ่ายได้ฝ่ายนี้เป็นเรื่องธรรมดาของเรา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 เป็การเพลินๆพอได้ให้บุญนิดหน่อยก็แบกกองทุกข์แล้วกองทุกข์เกิดจากเกิดจากงานที่ต้องยยอแบกยศนั่นแหละ้วก็ได้ลาบมาพออยู่พอใช้พอสอยสะดวกสบายได้ยศมาก็หลงยศยึดยศได้ลาบมาก็หลงลาบยึดลาบคําว่าลาบรวมปัจจัยสี่ลงในนั้นลาบลาภาลาภาแปล ว, ว่าการได้มาแปล ว, ว่าการได้มา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 ที่เก e. ิดขึ้นจากการที่กิเลสมันเลอาให้เราติดจิตใจกับเหยื่อมันเรายินดีเราพอใจเราเพลินใจล้วก็ติดอยู่กับเพืนั้นจากนั้นแล้วก็ด้วยเหตุที่เราเป็นอยู่ใช้สอยไปหาไปใช้ไปใช้สอยไปหมดไปมีพาราหนึ่งคนแล้วก็ไม่พอมีสองคนสองคนไม่พอ้วก็มีสามคน รักสามคนไม่พอสีค่คนห้าคนครอบครัวหนึ่งสองครอบครัวสามครอบครั ว, รรวเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นบุคคลที่มีบุญมีคุณต่างคนต่างก็เผื่อแผ่เราก็เผื่อแผ่เขาก็เผื่อแผ่สิ่งที่จะพึ่งได้มาก็เกียรติกันแบ่งกันจำเรล็กกันจำเรล็กไปจำเรล็กมาคนที่มีความเลวมาก ก็ต้องการจะเยี่ยมจริงไม่ได้มากนี่คือโลกความเป็นไปของโลกความเป็นอยู่ของโลกอย่างพวกเรานับถึงศาสนาพูดเนี่ยเราเอาหลักศาสนาไปประกอบในการทำมหากินเพื่อให้ตับใจสิบางครั้งเราก็ใช้ได้เนือ่องจากว่าเรามีความแข็งแกร่งในใจพอเอาหลักทำไปใช้ได้บ้าง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 ใหได้รับโทษให้ได้รับเวให้ได้รับภัยถึงจะพึงกระทํำพฤติการมเพื่อวาจาได้แต่ความวุ่นวายในใจไม่ต้องสงสัยนะความวุ่นวายในใจมันต้องสงสัยมันต้องได้รับความวุ่นวายแน่นอนเนื่องจากความอารมณ์ของโลกมันเป็นอารมณ์ที่ไปทําให้กลุ่มลมจิตก็เรียกว่าไปทําให้กลุ่มลมจิตอย่างที่ท่านเรียกว่าปริยุทฐานกิเลสปริยุทฐานกิเลกิเลสที่เป็นกลุ่มลมจิตนั้น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 เพื่อบำรุงเพื่อปกป้องเพื่อดูแลร่างกายนี้เป็นไปได้อยู่ได้ให้มีชีวิตปลอดภัยได้มันเป็นของสองสิ่งอาศัยซึ่งกันและกันต้องมาสัยกันทีนี้เพื่อความปลอดภัยของกายท่านก็ให้รักษาศีลศีล ส, สามารถบาบัดกิเลสที่จะพึง่งลงก้าออกมาทางกายทางวาจานี่อันนี้หลักลราพูดทำหลักเพื่อให้กายของเราออกมาถูกหลักถ้ากายออกมาไม่ถูกหลักก็เป็นกายกรรม เป็นกายทุจริตแต่ถ้าเป็นกายถูกหละมีสินมีธรรมกากับครอบนาก็เป็นกายะสุดจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักซัพย์ไม่ประพฤติเป็นการเราเห็นความสําคัญของศิงนนัอันนี้เป็นหลักเป็นขั้นหลักการในการที่เราจะเอามาประพฤติปฏิบัติสามารถกากับดูแลกิริยาทางวาจาคือกาพูดกํากับกายํากากับวาจาเพราะว่าวาจาที่พูดไม่ดีก็เป็นวิจีตทุจริตถ้าพูดดีพูดชอบก็เป็นวิจิตรจริต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 แต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วเช่นอย่า ง, างกายทุจริตเนี่ยประพุทธชั่วทางกายว่าจิตทุจริตคุณพุทธชั่วทางวาจา mm. ก็เป็นเหตุให้จิตนั่นแหละรุ่มร้อนอยู่อย่างนั้นแหละเพราะอะไรเพราะมันมีสาเหตุที่ประกอบที่กายที่วาจาพอประกอบลงไปแล้วจิตมันเป็นคนมาเก็บผลงานทั้งหมดในรอบแต่ละวันแต่ละคืนจิตเป็นคนรับทราบรับรู้รับทำรับอะไรทั้งหมดมันก็มาทับท่วมจิตจิตหาความสงบจิตหาความสุขไมได้ เนี <iqu ill io> ่ยเราจะเห็นกิริยาทัางนอกทั้งทางกายท่านก็สามารถระงับได้ด้วยการรักษาสินทางวาจาก็สามารถระงับได้ด้วยการรักษาสินทีนี้มันกลุ่มรลุมอยู่นะภายในจิตกลุ่มอยู่หลุมอยู่นะอยู่ภายในจิตเนี่ยมันอาจจะไม่เบียดเบียนใครแต่มันเบียดเบียนตัวเองแต่ถ้าถลับออกมาทางกายทางวาจาแล้วก็มาเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นแล้แต่ถ้าอยู่เฉพาะในจิตไม่เบียดเบียนใครแต่เบียดเบียนตนเองทำให้จิตใจเร่าร้อนวุ่นวาย ทัศนคศาอยู่นั้นแหละไม่เป็นพาสุขกินไม่ได้นอนไม่หลับปรุงแต่งจนเป็นโรคประสาทอย่างนี้ก็มีรู้จยกากว่าเราไม่ได้ทําจิตให้ได้รับความสงบอารมณ์ที่ผ่านทางกายทางวาจามาจากตาหูจมูกหรือกายใจมามหมุนอยู่ภายในจิตจิตก็เลยกลุ้มรุมจะกับอารมณ์ทางตาเรานั้นเพราะวันคืนต้งไปอนอดว่าขณะใดก็ตามจิตมันไปตามต้อนไปตามเก็บไปตามรับไปตามรู้อารมณ์ทั้งวัด เกไปแล้วมันก็มาตกหลับอยู่ที่ีหัวใจอ่ะหลับตามองไม่เห็นอะไรนั่งอยู่ในที่มืดๆเนี่ยมันก็สามารถขุดคุยเอาเรื่องเก่ามันนึกมาคิดมาปรุงแล้วถ้าหากสเปสปะไม่เป็นหลักธรรมเนนึกคิดแล้วไม่เป็นหลักธรรมปรุงไปปรุงไปราคะเกิดละจิจใจเข้าร้อนละนึกคิดไปนึกคิดมาปรุงไปปรุงมาโทสะเกิดแล้วเพราะว่าเห็นว่าสิ่งนั้นบุคคลนั้นเหตุการณ์นั้นมาขัดมาข้องมาคาด เป็นการไปเก่าให้เกิดแผลภายในใจแล้วเราร้อนคุณบาดเดืยดเดือดฟังขึ้นมาแล้วด้วเหตุที่เราย้บสิ่งสองสิ่งนี้เข้ามาเนื่องจากความไม่สดใสความไม่โปร่งใสของจิตความไม่นิ่งของจิตความไม่สงบของจิตด้วยอํานาจของความรุ่มหลงที่เพลินไปกับอารมณ์ที่ไปตกค้างอยู่ภายในใจทําให้เราปล่อยไดรับความทุกข์ความกระทบกระทั่งู่ภายใ น, ในจิตทุกวันเวลานาทียู่อย่างนี้เป็นนี้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 มาพิจารณาผู้ทำลายความรุ่มหลงเพราะความรุ่มหลงจึงเป็นเหตุให้เกิดราคะขึ้นมามีความกำหนัดมีความยินดีมีความชอบใจมีความเพลินใจในสิ่งในของในรูปหญิงในรูปชายตั้งแต่พื้นเพืนไปจนถึงนนท์ราคักขั้นละเอียดลึกลงไปเนี่ยจนถึงอันดับสูงสุดไปในจิตนั้จากพื้นพืินไป เป็นเหตุให้หลงตามน้ำกลับเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นตามชั้นตามผูกพุพ่มไปมาเพาะความรุ่มหลงก็เพราะความรุ่มหลงเป็นเหตุให้ เ, ใหเราเกิดโทสะเกิอดอิจฉาเกิดทิสยาเกิดนึกเกิดคิดเกิดอะไรก็ไรได้ตามใจชอบโดยปกติก็จิตมันอินสระที่จะนึกคิดตามใจชอบแต่คำว่าตามใจชอบของมันต้าหากเกษจักหลักธรรมมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามอำนาจของกิเลสทั้งหมด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 ถ้มีแต่ปล่อยนึกคิดไปออกนอกรูนอกทางอยู่ร่าไปเป็นิผลของมันทั้งหมดเป็นติผลของกิเลสทั้งหมดไม่มีเนื้ออัจเนื้อธรรมเรื่องสิ่งเรื่องธรรมเข้าไปเกี่ยวของมันก็ยินดีมันก็เพลินใจมันก็ชอบใจก็พอใจอยู่นั้นแสดงความความสุขตามต้องการอยู่อย่างนั้นหละเป็นความสุขที่ผิวเผินแต่ในขณะเดียวกันก็ไปประกอบด้วยเหตุที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจไปทําหลักสเปสปะไปตามเรื่องก็โดยกำหนัก ที่เกี่ยวข้องไปเบียดเบียนไปร่วงละเมิดตัวเองบางคนอื่นบางก็ปล่อยให้ทับความเกิียดหลอดมับไปมากมายมหาศาลทางมาพวกเราไม่ทิ้งหลักเราตั้งใจรักษาศีลเราตั้งใจปฏิบัติธรรมตั้งใจทําจิตให้ได้รับความสงบแล้วก็ตั้งใจมาพิจารณาเพื่อทําลายความรุ่มหลงนีม่มัเป็นจุดสุดยอด ที่มันเป็นจุดมืดจุดบอดจุดดําจุดอวิชชาตันหาภายในะจิตเนี่ยที่มันพาจิตร่มหลงไปแบบไม่มีกําหนดกดเกณฑ์ไห น, นว่าแต่สงสารเรามีโอกาสได้มาทำจิตให้ได้รับความสงบของรับความสงบก็เหมือนน้าที่มันตกตะกอนใสขึ้นมาพอจะรู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมเห็นอะไรบ้างแปบลบว่ายังไงน้ําต่างๆเราก็มาพิจารณา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 แค่นี้เราก็เป็นตัวตัวเราก็เป็นอิสระขั้นมีสมาธิมีความสงบจากนั้นก็แยกแยกพิจารณาไปผู้ทำลายความล่มหวงแยกธากแยกขันแหละพิจารณาพิจารณาที่มาของกายพิจารณาที่มาของจิตพิจารณาความเป็นไปของกายความเป็นไปของจิตที่มาสัพผัสัมพันธ์มาเกี่ยวข้องกันอย่างที่เคยอธิบายฟังบ่อยครั้งเลยด้วยเหตุที่เรามีจิตจิตของเราเป็นกิเลสเราจะต้องไปแสวงหาพบชาติ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 ไปได้พบได้ภูมิต่างๆสมควรที่จะได้เป็นมนุษย์ก็มาได้อุบัติเป็นมนุษย์ได้อัตภาพมาจากพ่อมาจากแม่สมควรจะได้สัตว์ก็ไปเกิดในร่างสัตว์เป็นเกิดเป็นไก่เป็นกบเป็นเขียดเป็นอะไรไปตามเรือ่อ ม, มีความเกี่ยวข้องของจิตคือาธาตุรู้คือผู้รู้เกิดขึ้นในโลกมีอยู่ในโลกเป็นอยู่ในโลกพอมาได้อัตภาพร่างกาย ร, ร่างกายนี้ก็ต้องประกอบไปด้วยาธาตุ พระุทธ้าท่านงสดงไว้ธาตุทั้ง4ี่ธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟธาตุดินก็คือแข็งแข็งลักษณะแข็งแข็งในตัวเราธาตุน้ําเปื้ออาบซึมซาบธาตุลมพัดคุ้นพัดลงหายใจเข้าหายใจออกธาตุไฟมีความอบอุ่นต้องมีไฟมาอบอุ่นไม่งั้นธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมเนี่ยมันไม่มีอะไรตรนเปลือมันก็เปื่อยพระเน่าต้องมีธาตุไฟมาอบอุ่น แต่ถ้า ห, หมดธาตุลมไปแล้วเนี่ยธาตุไฟมันจะเริ่มแย่ธาตุดินธาตุน้ํามันจะเริ่มแยก่การคิดตายนี่มันมาเกี่ยวข้องผูกพันกันกับรูปธรรมอันนี้ด้วยอำนาจของกรรมดินน้ําลมไฟมาเกาะคุมกันด้วยอำนาจของกรรมแล้วกเกิดมาแล้วก็มาใช้สอนกันร่างกายมันเลยกลายเป็นสมบัติของใจ ถ้าเราจะว่าใจหรือกรรมภายในใจของเราเป็นเหตุให้เกิดอัตภาพร่างกายอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเหตุไกลเรียกว่าเหตุไกลถ้าเราจะเรียกเหตุปัจจัยใกล้องกายก็คือเราได้ดินได้น้ําได้ลมได้ไฟมาจากพ่อมาจากแม่ธาตุของพ่อกับธาตุของแม่อันนี้เขาเรียกว่าเหตุใกล้แล้วก็ย้อนไปย้อนไปย้อนไปเราอยู่ในท้องแม่แล้วอะไรอไรกอาศัยของท่านทั้งหมดดินน้ําลมไฟแบ่งมาจากพ่อแบ่งมาจากแม่ เจริญวัฒนาถาววรมาได้ด้วยอานาจของกรรมที่มีจิตมาสิงสถิตอยู่มาปฏิสนธิอยู่เจริญวัฒนาถาววรเกาะคุมกันเรื่อยๆ เ, เป็นเหตุปเป็นปัจจัยมาบรรจบกันมาเจอกันมาพบกันด้วยอํานาจของกรรมแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆมาในท้อทง 7, 8, 9, เจ็ดแปดเก้าเดือนแล้วก็ออกมาออกมาแล้วจาเป็นจะต้องหาธาตภายนออกมาใส่แล้วก็ต้องขบต้องเคี้ยวต้องดื่มต้องกิน แต่อยู่ภายในท้องแม่เราก็ต้องดูดอาหารจากทางสายรกอาหารนั่นแหละกลายเป็นธาตุดินธาต้น้ำธาตุลมธาตุไฟนับตั้งแต่ไปถือจุติปฏิสนธิมาถือในท้องแม่จนกลายเป็นก้อนรูปธรรมเนี่ยจะไม่มีการคงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเรื่อยๆแก่มารื่แก่มาเรื่อยจากน้ามาเป็นก้อนเลือดมาเป็นก้อนเนื้อมาเป็นปัญจาสาขา อยู่มาจนอวัยวาครบหมดสาบสองก็ออ ก, ออกมาออกมาแล้วตัดสายส่งอาหารจากแม่ก็ต้องมาป้อนเปล่าป้อนน้ำนมขเขาโตขึ้นมาก็นับทานใช้สอยบริหารบริหารอัตภาพร่างกายมีชีวิตยอยู่เป็นเราเป็นทัานอยู่เดียวนี่นี่เราพิจารณาที่ความรุ่งหลงเราหลงในรูปเพราะพยายามย้อนไปหาเหตุของมันอันนี้คือเหตุใกล้ของรูปเราอาศัยอาศัยท้องแม่เกิด อาศัยธาตุของพ่อกับธาตุของแม่เกิดในท้องแม่แล้วก็ออกมาแม่ของเราอาศัยท้องของแม่เกิดย้อนไปนู่นเกิดมาจากธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ของท่านย้อนไปที่พ่อพ่อก็อาศัยท้องแม่เกิดอาศัยธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ย้อนไปย้อนไปย้อนไปเคราบว่าเป็นสายเลือดสายเลือดของสายเลือดของชชาติมันก็มีความเกี่ยวข้องไปนี้การที่เราพิจารณาแบบนี้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 เขาก็ได้อัตภาพแค่นั้นเขาอยู่ทุกข์อยู่ยากอยู่ลําบากแค่ไหนก็ดูเราเลี้ยงหมาเนี่ยจะให้เขากินอิ่ ม, มน้ำซัมราขนาดไหนก็ตามมันก็ทุกตามภาษาของมันนั่นแหละยิ่งมันไม่รู้จักนึกคิดไม่รู้จะพัฒนาอะไรเลยเลยแ บ, บกความทุกข์ไปเป็นปบพบเป็นชาติชาติไปอยู่อย่างนั้นเราพิจารณาย้อนไปเราก็พิจารณาย้อนไปอีกที่จิตเหตุใกล้เหตุไกลที่เกิดของจิตนี่ที่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกอย้อนไปท่านบอกว่าเป็นธาตุเป็นมนุธาต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 ก็พัฒนาไปโดยอํานาจของอวิชชาตันหาอุปาทานเป็นเรื่องของอิเลตทั้งหมดที่มีอยู่ภายในจิตดวงนั้นก็เลยมีความเที่ยว ส, ะสะว่อเสลนหาพกชาติอยู่อย่างนี้ให้รูปเล่น้ําเป็นสัตว์บ้างเป็นมนุษย์บ้างเกิดศพเหมาะช่องไหนดีก็ได้ประกอบของคุณธรรมที่ดีก็อาจจะาพที่ละเอียดเป็นเทวดาบ้างชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นเกิดสพเหมาะบางการบางคราวก็มีการภาวนาจิตได้รับความสงบ ก็ไปเกิดในโลกที่เป็นพรหมที่ท่าเรียกว่าเป็นพรหมตามที่เราศึกษามาและมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแ ส, งสดงเอาไว้เราไม่ไม่ไมต้องสงสัยดูพระพุทธเจ้าท่านทรงแ ส, งสดงท่งานทราบหมดชาติของสัตว์ทั้งหลายทุกดวงท่านแสดงทะลุผูกโป่งตา ม, มันทั้งหมดประสาพันยูประสาพันยูเราย้อนไปเห็น ที่มาของกายย้อนไปดูจิตเห็นที่มาของจิตจิ ต, จตมีอวิชชาอยู่ในั้นหลงตัวเองเพลินตัวเอง mm hmm. เมื่อมายึดรูป mm hmm. ก็เลยได้กนไกในการทํางานนะจะออกมาใช้โลกภายนอกรูกอ้อาศัยผ่านทางตาเป็นรูปยินดีพอใจตามภาวะของมัน่เลยภาวะของความดุลงของมันพอมารับรู้ทางหูก็ไปยินดีพอใจไปเพลินใจยึดในสิ่งที่พอใจเข้ามา ผลักสิ่งที่ไม่พอใจออกไปมีอำนาจอานาจของกิเลสอวิชชาที่มันพาเรารู้ให้เราเห็นให้เราเข้าใจด้วยวิธีการอย่างีแบบนี้ท่านจึงให้ให้พิจารณารู้ที่ไปที่มาของมันเพื่อทำลายความรุ่มร้นโดยเฉพาะจิตสงบจิตสงบภาวะของสภาวะธรรมต่างๆทั้งหลายทั้งปวงมันปรากฏชัดภายในจิตของเราคำว่าสภาวะธรรมก็คือความมีความเป็นของรูปรูปมียังไงเป็นยังไงเราก็ทราบสภาวะของนามมียังไงเป็นไงเราก็ทราบ คือสภาวะของจิตเพราะฉะนั้นหลักการทำจิตให้เกิดนะครับความสงบแล้วก็มาพิจารณาให้เกิดความรอบรู้ทางด้นปัญญามีจึงมีได้เป็นได้อาศัยขันธ์ทั้งห้านี่เป็นเครื่องมือน้อมนํามาเป็นเครื่องฝึกเป็นเครื่องซอมเพราะขันธ์ทั้งห้านี่เป็นเป็นทุกข์เป็นตัวทุกข์เป็นก้อนทุกข์เป็นกล่องทุกข์รูปเป็นฝ่ายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นฝ่ายนามคือเป็นฝ่ายจิตเป็นอาการของจิตเป็นกิริยาของจิต กิริยาของจิตมันจะเป็นเหตุให้ให้รับรู้รับทราบเวทนาเป็นเหตุให้ใช้งานใช้การในในลักษณะของสัญญาหมายได้เดาได้คาดได้ในตัวสัญญาแล้วก็จำได้ที่ท่าเรียกว่าจําได้หมายรู้หมายรู้หมายค า, าดหมายเดาหมายอะไรก็อยู่ในด้วยกันทั้งหมดนั่นเราจะเห็นความพิสดารของสัญญาของเวทนาของสัญญาสัญญาเนี่ยจะพิสดารมากถ้าเราระวังเรื่องสัญญาได้เนี่ย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 ซึ่งเป็นฝ่ายสมุทัยมันจะมาสวมรอยให้เราเกิดรักเกิดชาเกิดอะไรไม่ได้ตัวสัญญาสัญญาทํางานแต่ละครั้งก็ต้องประกอบไปด้วยสงขานแล้วก็ต้องประกอบไปด้วยวิญญาณวิญญาณไหมโนวิญญาณเนี่ยท่านกฤติยมมโนวิญญาณน้อมนึกภายในใจเกิดความรู้ชัดเข้าว่ารับนึกอะไรนึกอะไรมันก็เป็นมโนวิญญาณวิญญาณเรียกว่าความรู้แจ้งรู้วิสัยวิญญาณวิญญาณธาตุวิญญาณขัน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 มันเกิดมาองั้นเกิดมาตรงนั้นอันนี้เป็นเหตุใกล้นะเหตุไกลเราก็ย้อนไปที่จิตจิตมีวิชาตัณหาอุปาทานมันแสวงหาภพหาชาติมันต้องไปปรากฏมันต้องไปเกี่ยวข้องกับรู้พิพากานั่นคือเหตุไกลถึงหลอมาพิจารณาเพื่อทําลายตัวกองทุกข์วิชาตัณหาอุปาทานที่มันเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วมันหลงเองมันสร้างเองกับมันของเองมันสร้างเองมันเพลินเองมันหลองเองมันยึดเองมันถือเอง นี่มันอันนี้คือความไม่ฉลาดของจิตนั่นแหละจิตที่มีวิชาแล้วก็พิจารณาย้อนไปพิจารณาย้อนบัานดาเห็นเงื่อนเห็นเงาเห็นแง่แห่งความฉลาดไปในจิตเนื่องจากว่าเราตั้งอกตั้งใจทําใช้สติทําใช้ปัญญาทำใช้สติทําใช้สัมปชัญญะทํำสติสัมปชัญญะรวมกันแล้วเป็นปัญญาใช้วิทยะทำใช้ขันติทําใช้หอริทําใช้โอตตะปาทำธรรมะทั้งหลายทั้งปวงที่จะพึงมีฉันทะ ความพอใจในการประกอบนี้การประกอบการประกอบว่าทันทวิริยะจิตตวิมังสาเราไปได้ดูหลัทธธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากอํานาจของการที่เรามาเอาจิตนี้มาพัฒนาให้มีความรอบรู้ให้มีความฉลาดเป็นการสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นมีขึ้นสร้างสติให้แน่นหนามันคงขึ้นสร้างสัมผัจันทร์ให้แน่นหนามันคงขึ้น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 ถ้าสี่ดินน้มโลภไฟก็ยังอยู่ในโลกถ้ารู้ที่บริสุทธิ์นั้นก็ยังอยู่ในโลกไม่ไปไหน้าทั้งหลายในโลกไม่ขาดสูญไปจากโลกแต่ผู้ที่ถึงนั้นแหละถึงบรมสุขไม่ต้องมาวุ่นวายนล้วละเราไปเห็นเขาวุ่นวายเราดูถึงวุ่นวายขนาดไหนความวุ่นวายความสับสนวุ่นวาย ความเป็นทุกข์จะต้องประจัดการนี่จะต้องไปจัดการนั่นต้องเกี่ยวข้องนี้เจยบเกี่ยวของั cool. ้บางทีเหน็บเหนื่อยปางตา ย, ตายไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นภายในหัใจบางทีตายเป ล, ล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเกิดขึ้นภในหัวใจเลยโอกาสที่จะมาดัดแปลงเป ล, เ, ปล i, เปลี่ยนแพลงจิตใจให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นก็เปลี่ยนแพลงไมได้เพราะฉะนั้นเรามาอยู่ถ้ำกลางตรงนี้นับว่าพวกเรามีบุญมันจมีบุญว่าเราจะยินดีเฟลินใจไปตามอำนาจของโลกเราก็จะได้รับ ผลประสบผลกระทบอยู่อย่างนั้นร่ายไปถ้าเราเยินดีเพลินใจ ม, นมาในทางธรรมเราก็สามารถจะพัฒนาจิตใจของเราให้ไปถึงที่สุดได้เสร็จแลวความสุขเลยมันแตกต่างกันมากมายมหาศาลจนพูดรู้เห็นความทุกขก์กของโลกเห็นอทุกข์ของโรกนั่นเบื่อหน่ายคลายจางเบื่อหน่ายคลายจางในที่สุดก็ เ, เป็นเหตุให้เรามาปฏิบัติ ได้มักได้ผลแด้อะไระเืลินใจแล้วก็เห็นโลกนี้เป็นไฟลุกท้องดวงเป็นไฟลุกโผล่ในโไม่น่าอยู่ไม่น่าอยู่ยังไงยังไงแล้วจะต้องถีบตัวเราไปให้ได้พอมาถึงขั้นนี้แล้วเรามีกำลังมีกำลังแล้วเราไม่ปล่อยจับไปให้ตลอดได้เลยชีวิตนี้ทั้งชีวิตเราจะคิดว่าเราจะได้เปรียบสิโนได้เปรียบสิ่การที่เราจะได้เปรียบเราจะต้องมาตรงนี้ช่องนี้เท่านั้น เราไปตรงอื่นที่อื่นสำคัญว่าอันนั้นจะดีอันนี้จะดีสำคัญมั่นหมายไปเฉยๆเท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่จะดิบดีวิเศษวิสุ์เท่ากับเราอยู่ท้ำกลางาศาสนธรรมที่พระเจ้าท่านสมตรสรุมาแล้วมาบอก ม, มาสอนพวกเราให้เรามีโอกาสได้ยึดถือปฏิบัติตามนับว่าปเป็นมหากุศนภาัในจิตของเราแต่ละคนะทา่านถ้าเราคิดย้อนหลังไปถึงทุกทษภันของมัตสุนทร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 แล้วแต่จะมีเหตุมีปัจจัยอะไรที่จะทำให้จิตตรงนั้นมันน้อมไปน้อมไปไงก็น้อมไปได้ทั้งหมดเพราะจิตมันเป็นมนษย์ธาตุธาน้อมไปดีมันก็สมัครน้อมเต็มใจน้อมชั่วมันก็สมัครน้อมเต็มใจน้อมทุกยากลําบากอะไรมันไม่คำนึงเขาบอกว่าตายสูงมันไปเชื่อว่าตายสูงบอกว่าตายแล้วไปอยู่ที่นน่นที่นี่มันไปเชื่อว่าอยู่ที่โน่นที่นี่แต่ไม่มีโอกาสพิสูจน์ทดสอบว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอันนี้คือได้ได้โอกาส เครียน้อยโอกาส น, น้อยวาสนาไม่ประสบพบเห็ปากรการ น, นันดีนาถ้าเราเป็นอย่างนั้นบ้างเราจะรู้สึกยังไงแล้วก็จมอยู่อย่างนั้นหมอกอยู่ในโลกอยู่อย่างนั้นเลยบางคราวก็ดีบางคราวก็ทุกอย่างลําบากชั่วร้ายเรารู้ถึงความตายของคนมันไม่เลือกการมันไม่เรือกเวลามันไม่เลือกสถานที่เราดูดิดูปี่สุนารมิ่ที่เราเห็นรูปๆกันดูดิ เ, เอามาเรียงกันนอนกั น, นคนแต่ละสาขาอาชีพ แต่ลฐานะสูงต่ำแต่ละความรู้ความเข้าใจเวลาประสบพบเหตุภัยก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันน่าสลดมันน่าสัเวชใจขนาดไหนในบรรดาสิ่งเหล่านั้นมันก็มีทั้งคนมีสิทธิมีธรรมและจะมีทั้งคนม่มีสิทไม่อยูธรรมแต่ด้วยอานาจของกรรมที่เป็นไปในวัฏสงสารจะต้องให้เราได้ประสบพบเหตุเลยเป็นเห็นให้เราต้องเกิดหลักในการสร้างกรรมกายกรรมวิธีกรรมมนกรรม เรามาสร้างป็นความฉลาดให้ในกิดของเรามันจะทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขทำไมปัจจุบันจะมีความสุขเป็นมิารต่อไปอย่างไม่ต้องสงสัยอย่านะตนนัดสินก่